ขยันต่อไปก็คือขยันทําโทสะไปทําบัญหาสวรรค์วิมานไรไม่มีหรอกสวรรค์วิมานมีแต่ทําแล้วตกนรกนะพอจิตเจอด้วยโทสะจนคุ้นเคยกับโทสะเครียดตกนรกนั่นแต่ยังไม่ตายหรือไม่ก็เป็นเปลิดโลภภาวนามาตั้งสาวันแล้วยังไม่บรรลุสักทีอยากบรรลุเร็วๆนี่โละภาวนาสามวันแล้วไม่บรรลุสักทีนี่โทสะ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 จนเกิดปัญญาเห็นเลสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้ไม่ต้องไปดับมันหลอกมันดับของมันเองมีไหมกิเลสที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหมไม่มีมีไหมกุศลที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีมีไหมอริยมรรคที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีนะอริยผลที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหมไม่มีนิพพานที่ไม่เกิดไม่ดับมีไหมมีเป็นอันเดียวเลยนะที่มีอะ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 นี้ถ้าทําสมถะนะสมาธิที่ใช้ทําสมถะยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งวันบายวันนะเช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้พุโทโธกับลมหายใจรวมกันก็ได้ถือว่าเป็นหนึ่งน ะ, นะไม่ต้องไปดูอะไรเพิ่มกว่านั้นหรอก <c oughs> หรือจะดูท้องพองยุบนะมีจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบนี่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่ก็สมถะเดินจงกรมเห็นร่างกายมันยกเท้า ย, ย, า ย, าย่างเท้าจิตเป็นคนดูนี่สมถนะ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 คิดถึงความตายเป็นกุศล น, นะลดละกิเลสข่มกิเลสได้คิดถึงผมขนเล็บฟันหนังนะต้องของตัวเองนะถ้าดูผมขนเล็บฟันหนังของสาวงามผมก็สวยคนก็สวยเล็บก็สวยฟันก็สวยหนังก็สวยสวยหมดเลยนะอะกุศลเอาไปกหนอีก น, นะถ้าดูเห็นมันไม่สวยไม่งามนะใจสลดลงมาหน่อยนะหายซาเนี่ยได้กุศล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 สมถาไม่สลัดคืนสมถาจะหยิบฉวยเอาไว้นะกระทั่งในอากาสานัญนายตนะวิญญาณัญญยตนะอากินจัญญ ย, ยตนะเนวสัญญาณาสัญญยตนะหยิบฉวยทั้งสิ้นเลยนะหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมานะถ้าในรูปปะชานก็หยิบฉวยเอารูปขึ้นมาในอรูปก็หยิบฉวยจิตขึ้นมะาตรงปัญญาแจ้งอันนี้มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษก็คืนให้โลก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 คืนเป็นผีเฝ้าหวงซุยอยู่ <c oughs> มันติดนิสักขาได้มันอนาระยะแม่าลายอวอน <c oughs> สลัดคืนแตปติดนิสักขาคืนแล้วก็เป็นวิมุตตนะมันต่อกันอันเดียวกัน <c oughs> เรียกเป็นไวพ์กันได้ <c oughs> เอาต่อไปใครใครใครใครมีเหตุผลความจำเป็นเห็นไมถามเท่าที่จำเป็นนะช่วยยกป้ายยกป้ายนะ่ยยกป้าย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 เราไม่รู้ว่าจิตเราถูกส่งไปฟังจิตถูกส่งไปคิดถ้าเรารู้ทันว่าตอนเนี้ยจิตวิ่งไปดูละจิตวิ่งไปฟังแ ล, แล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานจะได้ตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยตนา น, น, านตัวรู้เกิดทีเพราะเราไม่เห็นตรงที่มันไหลไปเนี<อ>่ยตอนนี้ไหลไปคิดไหมครับ เ, ออเนี่ยถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นพอไหลไปแล้วรู้สึกว่ามันทําอะไรกับมันไม่ได้ทําไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตา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 มันปวดหัวเนี่ยก็มีการปวดว่าปวดนิดเดียวจริงๆเลยนะฮะก็แค่รู้สึกเนี่ยฮะโอแต่เวทนาที่มันไปปรากฏที่ใจเนี่ยใจทบขาดเลยออะไรนะหลวงพ่อฟังไม่พอพอเวทนาที่ที่ที่จิตที่มันไปรู้ความปวดที่ที่ที่กายที่ปวดหัวเนี่ยนะฮะพอไปเกิดที่เป็นเวทนาที่ใจเนี่ยมันมันใจทบขาดเลยเลยเลยเลยคิดว่าเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเนียเดี๋ยวอ่า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 รู้ตื่นเบิกบานนะถ้ารู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นนะรู้ซื่อๆไม่ได้เจตนารู้นะจิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานก็เกิดขึ้นเองนะจิตที่คิดเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าจิตคิดเกิดขึ้นนี่เห็นไหมดูเป็นทำไมจะดูไม่เป็นแต่ไปจงใจดูมันจะไม่มีอะไรให้ดูหรอกเราะก็แข็งแข็งไปเลยเครียดเป็นภาระร่สาสสกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ